แต่ถ้าว่าใจของเราเข้มแข็งใช้จิตใช้ปัญญาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วเราจึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน เ, เมื่อตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วจะให้ล้มเหลวได้ยังไงถ้าล้มเหลวไปว่าโกหกตน้นเองโกหกแล้วโกหกอีกไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นขอให้คณะทาญาติโยมทุกๆท่านที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอะไรเอาไว้ แทนที่จะไปประกอบด้วยคุณงามความดีแล้วให้อตลอดอือย่าไปตั้งสัจจะในความชั่วนะอแต่ตั้งสัจจะความชั่วก็ ม, มีเหมือนกันสัจจะมันไปได้ทั้งสองอย่างสัจจะทางชั่วจะสัจจะทางดีพวกเราได้รับทาคําสอนของพระพุทธเจ้ารับทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่รับอัดรับธทม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 บอกเรานั่งภาวนาไนดะ้นหนึ่งชั่วโมงนะวันนี้นะอาจากนั้นก็นั่งภาวนาไม่กระดุกกระดิกไม่คุยกันอย่างที่หลวงพ่อแนะนําบอกกล่าวด้วยนะนั่งคัดจมานี้จะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งคัดสมาดก็ได้จากนั้นก็นั่งอแต่ให้หยุดในความสงบหลับตาหายใจเข้าดูลมหายใจเข้าออกตัวเองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ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 แต่พวกมาถึงพวกเราพวกเราทำไมหัวตื้อหัวลั้นไม่ยอมฟังใครเลยมันไม่น่าจะถูกนะเป็นบุคคลหัวลั้นไม่ยอมฟังใครเลยไม่น่าจะถูกเพราะนั้นพวกเราต้องฟังเอาไว้เมื่อฟังแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติทดลองดูสินี่แหละเมื่อทดลองดูแล้วเนะ่พวกเราจึงจะรู้เห็นบุญคุณโอ้ถ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าก็คงจะทามานาน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 คนโบราณหลงตายยังบอกว่าเนี่ยโยมคุณแม่นไม่เคยกินทุเรียนเพราะถูกกินทุเรียนนะโ อ, อ้วิ่งหนีเลย เ, เ, เพราะมนันมันเหม็นอะท่านบอกเอ้ยถ้าพอมันกลิ่นมันเหม็นก็จริงอยู่แต่เวลารถเข้าไปในลิ้นถึงรถทุเรียนแล้วนะกลิ่นมันหายหมดเลยหอมไปเลยนะทีนี้ทดลองดูนะ ออจากนั้นโย ม, มันดาท่านก็อนได้ทานทุเรียนพอทานท่านโอ้ย อ, อ, อร่อยจริงๆฮะแต่ก่อนมีแต่หมดเหม็นทุเรียนฮนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อเปรียบเทียบเวลาครูบาอาจารย์บอกกาว่านั่งภาวนาเนอะโอ้ตายนั่งเออปวดแข้งปวดขานั่งจุก ป, ปุกไม่ได้ทําอะไรเลยเออทําไมมันเป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั่งบังคับนั่งเข้าไปแล้ว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 เอไปแบบในเรื่องนั้นๆอะไรจะมาเกิดเพราะนั้นให้ดูที่ใจท่ารู้เหตุรู้ผลแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วก็ท่ามที่ใจของเราเบรกที่ใจของเราห ย, ยุดจะคิดเรื่องนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ออพอหยุดท่านั้นแหะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมันก็หยดุดหยุดที่ใจเมื่อหยุดที่ใจใจของเราได้รับความสงบแล้วเสียยึกเย็น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 ทำบุญตักบาทแต่เรื่องศีลก็ให้ใส่ใจเข้าไปด้วยถ้าศีลดเีเมื่อศีลดีสมาธิก็จะดีถ้าศีดไม่ดีสมาธิก็จะไม่มั่นคงเพราะนั้นเรื่องศีลกับสมาธินี่มันเป็นมันไปแนวแถวเดียวกันถ้าใจของเรารักษาศีลดีแล้วเราไป น, นั่งภาวนาเราไม่มีโทษไม่มีเรื่องอะไร ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะไรเพราะศินของเราดีเพราะนั้นวันนี้พวกเราเราจะมาทานสินจบลงไปแล้วต่อไปก็เนี่ยตามโอกาสช่วงไหนขนาดนั่งรถกลับบ้านคนหนึงเป็นคนขับคนหนึ่งก็นั่งภาวนาพุทโธพุทโธไปด้วยหรือว่าฟังเทศครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเข้าในซีดีแล้วเหคนหนึ่งก็ขับไป ไปเรื่อยคนหนึ่งก่นนั่งหลับตาฟังเทศไปด้วยดูใจของตนเองไปด้วยเป็นการฝึกทางนั้นนี่แหละเรื่องการฝึกสมาธิมันไม่ได้ฝึกยากนะไม่ใช่ว่าปู ป, ปับเข้าไปนั่งขัดสมาธิจะก่อนจึงนั่งสมาธิไม่ใช่เรานั่งนะสถานที่ใดนั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะเอาจริงเอาจัง เ, ออเราควรจะนั่งเป็นขัดสมาธิละ่ะ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 แต่เรื่องสมาธิรู้สึกว่าเจ้าอ่อนอ่อนอยู่รู้ว่าอยู่ในใจของใครใจเราแล้วว่าอยู่ลุงพ่อก็ไม่สามารถที่จะพูดรู้ได้นะแต่ลุงพ่อก็พูดไว้ก่อนว่าให้ทําให้มากๆเรื่องสมาธินะถ้าพอมีเวลาแล้วก็ปั๊บเข้าสมาธิเลยนั่งภาวนาเลยถ้าเวลาทําการทํางานก็ทำการทํางานพอว่างจากการจากงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งสมาธิ บริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธเลยถ้าทำได้อย่างนั้น เ, ออเลิศประเสริฐที่สุดนะพวกเรามีอะไรเกิดขึ้นพวกเราไม่ต้องกลัวทีไไม่ต้องย่อท้อคุณงามความดีเต็มเอียดในใจของเรากลัวทำไมเพราะนั้นออความชั่วทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดไปจากไหนไม่ไปจากเราเออความดีก็ไปจากใจของเราความชั่วไปจากใจของเราทางว่าพวกเรา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 ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดกล่าวมุสารื่มสุราไม่เจตนาทั้งนั้นถ้าเราเดินไปเหยียบมดเหยียบหอยเหยียบอะไรก็ตามเราไม่เจตนาสินยังไม่ขาดนะเพราะไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าไปรังแกนี่แหละการมการทความดีความชั่วออกไปจากใจทั้งหมดคือเจตนาเป็นหลักเพราะนั้นขอให้พวกเรา ทุกคนนะทุกท่านนะดูใจของตนเองใจของเราเน่ะเจตนาเป็นเครื่องบ่งบอกอันรับพอรอนโมทนาให้พร